There be someone ถ้าปัญหาฉบับธรรมวิโมกรวบรวมโดวยวัฒนะชัยตอนที่หนึ่งคำนมัส ก, การพระรัตนตยของพระติปิฎกจุราภยเทระพระจริยาอันเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณธรรมอันใหญ่พระองค์ใดมีอยู่ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้สมเด็จพระบรมครูพระ อ, องค์นั้นซึ่งเป็นผู้มีอนุภาพอันเป็นอจินไตยผู้เป็นนายกอันเลิศของโลกสมเด็จพระบรมโรคกนราช a s a d a j a พระ อ, องค์ใดเป็นผู้ประกอบด้วยวิ ช, ชาจรณะนําหมู่สัตว์ออกจากโลกด้วยธรรมะอันใดข้าพเจ้าขอกราบไหว้ธรรมะอันนั้นซึ่งเป็นธรรมะอันสูงสุด เป็นธรรมะอันสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาพระอริยะสงใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีละคุณเป็นต้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคสี่ผลสี่ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงนั้นผู้เป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลกบุญอันใดที่ข้าพเจ้าทำให้เกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมพระรันะตนตัยอย่างนี้ ด้วยเดชแห่งบุญอันนั้นจงให้อันตรายหายไปจากข้าพเจ้าในที่ทั้งปวงจงให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากอันตรายมิลินทปกรคือคำพีมิลินอันใดที่ประกอบด้วยปุจชาพยากรณ์มีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงฟังปัญหาทั้งหลายอันละเอียดลึกซึ้งที่มีอยู่ในคำพีมิลินทปัญหานั้น เพราะการฟังมิลินทปัญหานั้นจะทาให้เกิดประโยชน์สุขพุทธพยากรในวันปรินิพานเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่า พ, พ่อพิสุสง์เป็นอันมาก เสด็จไปที่เมืองกุสินารามหานครในเวลาที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงบรรทมบนบรรลังหันพระเศียรไปทางทิศอุดรในระหว่างนางรังทั้งคู่อันมีอยู่ในพระราชอุทยานของพวกมันละกษัตร์แห่งเมืองกุสินาราจึงตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิดธรรมวินัยอันใดเราบัญญัติไว้แล้วเมื่อเราล่วงละไปแล้วธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูของพวกเธอ เมื่อเราบรินิพนานแล้วพระมหากัสปะจะระลึกถึงถ้อยคำที่ไม่ดีของสุพัทธพิขุผู้บวชเมื่อแก่และจะกระทาสังายาเพื่อรักษาพระพุทธวจนะไว้มิให้ขาดเคลื่อนตอนนั้นไปอีกหนึ่งร้อยปีพระยศักกะกันทกะบุตรผู้จะย่ำยีซึ่งถ้อยคำของพวกภิกษุวัตชีบุตร จะได้กระทำสังคายนาครั้งที่สองต่อไปอีกได้218ปีพีพโมกคลีบุตรติสสะเทระผู้จะลบล้างลัทธิของพวกเดรธีภายนอกจะได้กระทำสังขยานาครั้งที่สต่อมาภายหลังพระมหินฉัเถระจะไปประดิษฐานศาสนาของเราลงไว้ที่ตามมะพระปั น, นิ ทวีปปงเล็พรังกาต่อจากเรากรินิพานไปร่วงได้500ปีจะมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่ามิรินผู้ได้สร้างสงมบุญณ์บา ร, รมีไว้ดีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาอันละเอียดขึ้นด้วยอนุภาพปัญญาของตนจะย่ำยีเสียซึ่งสมณะพานทั้งหลายด้วยปัญหาอันละเอียด จะมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่านาเคเสนไปทำลายถ้อยคำของมิลินทราชาทำให้มิลินทราชาเกิดความร่าเริงยินดีด้วยอุปมาเป็นอนิกจะทำศาสนาของเราให้หมดเสียนน้ำหลักตอจะทำศาสนาของเราให้ตั้งอยู่ตลอดห0 0พันพรรษาดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเกิดในตระกูลในเวลาร่วงได้ห้าปีจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนั้นผู้นั้นจะได้ชื่อว่ามิลินทราชาสเสวยราชอยู่ในสาคูนครอันเป็นเมืองอุดมมิลินทราชานั้นจะได้ถามปัญหาต่อพระนากเสศน์มีอุปมาเหมือนกับน้ําในแม่น้ํำคงคา ไหลไปสู่มหาสมุทรสาครฉะนั้นพระองค์เป็นผู้มีถ้อยคำอันวิจิตได้เสด็จไปหาพระนาคเซนในเวลาราตีมีครบเพลิงจุดสว่างสวัยแล้วถามปัญหาล้วนแต่ละเอียดลึกซึ้งขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจไว้ด้วยดีฟังปัญหาอันละเอียดในคำพีมิรินนั้นเถิด จะเกิดประโยชน์สุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานดังนี้พระนครของพระเจ้ามิรินมีคำเล่าลือปรากฏมาว่าเมืองสาคนนครของชาวโยนกเป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติอันน่ารื่นรมอุทยานอันมีสระน้ำสวนดอกไม้ผลไม้ตกแต่งไว้อย่างดี มีหมูนกมากมายอาศัยอยู่ป้อมปาการก็แข็งแรงปราศจากค่าศึกมรบกวนถนนหนทางภายในพระนครเกื่อนกลนไปด้วยช้างมา้ารถอันค่องแค่้วอีกทั้งหมู่สตรีล้วนมีรูปร่างสวยงามต่างเที่ยวสัญจรไปมาทั้งเป็นที่พักผาอาศัยของสมณพามพ่อค้าสามัญชนต่างๆ เมืองส า, นาคนนครนั้นสมบูรณ์ด้วยผ้าแก้วแหวนเงินทองยุง้งฉางของกินของใช้มีตลาดร้านค้าเป็นที่ไปมาแห่งพ่อค้าข้างนอกเมืองก็บริบูรณ์ด้วยพืชข้าวก้าอุปมาเหมือนข้าวก้าในอุตรกุรุทวีปหรือไม่ก็เปียบเหมือนกับ อารั ก, กะมันธาอุทยานอันสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นจจตุมหาราชฉนั้นสรุปหัวข้อปัญหาท่านพารนามาถึงตอนนี้แล้วจึงได้แยกเรื่องไปหกเรื่องคืออุพโยกหนึ่งวิลินทปัญหาหนึ่งเมนท ก, กะปัญหาหนึ่งอนุมานปัญหาหนึ่ง ลักษณะปัญหาหนึ่งอุปมากระถาปัญหาหนึ่งฉะนั้นก่อนที่ท่านจะพบกับเนื้อความในหนังสือเล่มนี้ต่อไปผู้รวบรวมขอสรุปหัวข้อปัญหาให้ทราบไว้ก่อนดังนี้หนบุพโยคคือเรื่องเบื้องต้นก่อนที่จะถามปัญหา 2. องไมลินทปัญหา เป็นปัญหาที่พระเจ้ามิลินถามปัญหาชุดนี้มีจิวักสนอกวักมีเพียงปัญหาเดียวคือโคตมีปัญหา 4. เมนท ก, กะปัญหาคือการถามปัญหาที่เป็นสองแง่ปัญหาชุดนี้มี9วักค้าอุปมาปัญหาว่าด้วยอุปมาต่าง ปัญหาชุดสุดท้ายนี้มีจิตวักเมื่อจบการถามตอบปัญหาแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ต่างๆต่อมาพระเจ้ามิรินได้ทรงสระ ร, ราชสมบัติเมื่อทรงออกผนวดแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นอันว่าท่านก็ได้ทราบไว้ก่อนแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างไรบ้าง จะช่วยให้ง่ายต่อการจดจำจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความอุตสาหะฟังตั้งแต่ต้นจนจบพยายามทบทวนทําความเข้าใจในถ้อยคำของท่านแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลณโอกาสนี้จึงขอเชิญท่านพบกับเรื่องบุพโยคคือเรื่องเบื้องต้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป